าราชิกข้ออาทินนาทานพระภิกษุเข้าไปในโรงงานซึ่งเป็นที่เก็บสินค้าพระตั้งใจจะไปขโมยเอาผ้าเหลืองแต่เวลาเอาจริงๆไปหยิบถูกล่องผ้าดำแล้วก็แบกเดินไปพอไปถึงที่ที่เห็นว่ามันปลอดภัยก็แกะกล่องออกมาดูมันเป็นผ้าดำ ท่านก็ น, นึกว่าเราไม่ได้ผ้าที่ต้องการเราจะเอาวางไว้นี่เจ้าของเข้ามาเห็นเขาจะเอาของเขาคืนแล้วก็หนีไปอันนี้เป็นอาบัตเพียงแค่อาบัตทุนลัดใจไม่เป็นอาบัตปาราชิกสิ่งใดที่เราไม่มีเจตนาสิ่งนั้นไม่เป็นอาบัตทีนี้ถ้าพระเปิดออกมาดูแล้วว่าเป็นอะไรถ้าแกนึกว่าไหนไหนก็เอามาแล้วเป็นอะไรก็ต้องเอาไปพอยกของเคลื่อนที่เท่านั้น ขาดจากความเป็นพระภิกษุและอีกลักษณะพระภิกษุมีเจตนาจะขโมยเทปอันนี้นึกว่าเราจะขโมยจริงหลักพอเสร็จแล้วก็หยิบของเคลื่อนที่มาพอของเคลื่อนจากที่ต้องอาบัติปาราชิกทีนี้ภายหลังมานึกว่าเอขโมยของนี่มันเป็นบาปเอากลับไปวางไว้ที่เดิมอาบัติก็ไม่คืนมาบริสุทธิ์อีก พระท่านกำหนดหมายเอาตั้งแต่ของเคลื่อนที่พระภิกษุขโมยรถจักรยานหรือรถยนต์ก็ตามพอขับขี่ออกไปเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปพ้นจากที่จอดล้อหลังพ้นจากที่จอดพระภิกษุขาดจากความเป็นพระภิกษุอันนี้เป็นอวหาระคือการลักขโมยเกี่ยวกับประราชิกหมายเหตุ เอาวาระหมายถึงการลักขโมยที่นี้มีอีกอันหนึ่งของหนีภาษีของหนีภาษีเนี่ยมันเป็นของที่อยู่ในครอบครองของเราแต่ว่าของบางอย่างเขาประกาศห้ามไม่ให้เอาผ่านเขตเช่นอย่างเขากําหนดว่าของที่มีอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยห้ามนําออกนอกเขต ถ้าหากว่าพระภิกษุนำของเหล่านั้นไปเกินจำนวนที่เขาอนุญาตให้เอาผ่านได้นำของเหล่านั้นไปเกินจำนวนที่เขาอนุญาตให้เอาผ่านได้พอพลนเขตด่านตรวจไปเพียงก้าเดียวพระต้องอาบัติป ร, ราชิกแต่ของนั้นถ้าอยู่ในครอบครองของเราอยู่ในบ้านในวัดของเรานี่เรามีเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าสิ่งที่เขาห้ามเอานำออกนอกเขตแล้วก็เป็นอันว่าผิดกฎหมายเมื่อผิดกฎหมาย พระก็ผิดวินัยเป็นอาบัติปาราชิกมีอีกอันหนึ่งที่ควรจะทำความเข้าใจเช่นอย่างว่าเขาให้จับสลากพัดพระภิกษุจับได้สลากถูกของไม่ดีแต่ก็ขอดูของเพื่อนของเพื่อนน่ะถูกของดีมีราคาและพระภิกษุไปสับเปลี่ยนสลากอันนี้ก็เป็นอาบัติปาราชิกเหมือนกันตามราคาของวัตถุ ซึ่งกำหนดราคาตั้งแต่ห้ามาศคือ1บาทขึ้นไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรระวังเกี่ยวกับเรื่องวนไย